ก็ลักษณะเดียวกันนะย้อนมาว่าออันไหนเป็นโวหารกถาก็ให้รู้ว่าเป็นโวหารกถาเพราะว่าทางศาสนาของเราเนี่ยใช้คําอยู่สองประเภทอุปจาระกับมุขยะเนี่ยนะมุขยะคือเรียกว่าพูดแบบตรงๆอุปจาระแปล ว, ว่าพูดแบบอ้อมๆไอ้ออค น, บ, นบ้านนั้นทําไมเสียงดังจังอันนี้บ้านนั้นคุยเสียงดังจังอันนี้พูดตรงหรือพูดอ้อม พูดอ้อมโอ้คนนั้นถูกอะไรมาบอกถูกยิงถูกยิงด้วยปืนมาปืนมันยิงได้เหรอถูกปืนเอาปืนติดมาเลยใช่ไหมใช่หรอติดแต่ลูกปืนมาแต่นี้เป็นโวหารเป็นอุปจาระนะเพราะนั้นคําพูดลักษณะนี้คําพูดอ้อมออมอย่างประเทศไทยนะคนจะชอบพูดอย่างหนึ่งว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีถามว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก คือต้นแรกเลยนะของมาเข้าใจว่าต้นตำรับที่ใช้คําเนี้จริงๆเขาเข้าใจคือเขารับปฏิฆานิมิตมาจิตเขาไม่ดีแต่ทีนี้คนมันจะบอกว่าตัวเองไม่ดีมันก็อยากพูดหรอกบอกอารมณ์มันไม่ดีอย่านะอารมณ์ไม่ดีอะ่ะทําให้เขาจิตหุดหงิดเขาก็เลยบอกว่าเวลาใครถามบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบอกอารมณ์ไม่ดีเลยนะเขาก็แต่ทีนี้ตอนหลังไปมานะคนที่ไม่เข้าใจกันนื้าอารมณ์คือตัวจิต จิตกับอารมณ์มานานเดียวกันอา น, นี้เป็นเอามากเหมือนกันเนะนื่อรู้กันคําพูดทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกันนะเพราะถ้าถ้าเราพยายามที่เข้าใจเขาว่าเขาพูดอะไรอยู่แล้วเขาเข้าใจผิดในเรื่องนั้นไหมก็ก็เอาตรงนั้นเป็นกฎเกณฑ์นะมีเมตตาต่อเขาบ้างการที่พูดว่าเขาผิดเนี่ยมันฉลาดตรงไหนอ่ะนะใครที่หาความผิดคนอื่นได้ในห้องเราเนี่ยนะถามว่าคนนั้นจะเขาจะชมไหม คุณไม่ได้ใส่กระดุมเลยเนยนะเขาจะชมไหมที่ใครมาทักเขาแบบนั้นนะก็เป็นคนไม่รู้จักกันด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันทัา น, นการฟังธทำสนทนาธรรมก็ลักษณะเดียวกันนะเราก็ต้องให้อาภัยคนอื่นเขาบ้างเรียกว่าเว้นคําที่พลั้งพลาดเสียเนี่ยนะไม่เรียกว่าซื้อผลไม้เนี่ยคุณไม่เอาขั่วไม่เอาเปลือกอะไรบ้างเลยหรือ อันนี้ก็เหมือนกันนะัย้อนกลับมาหาทางทางธรรมะการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าเจริญสตินินรียเนี่ยนะสติินรีเนี่ยอย่างพิจารณาหนึ่งน ะ, ะพิจารณากายกายคืออะไรกายคือที่ประชุมนะที่ประชมแห่งสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายก็ได้แปลแบบภาษาสมัยใหม่บอกศูนย์รวมของสิ่งสกปรก อะไรก็ตามนะขอให้มันหลุดมาจากกายเถอะนะที่นั่นนะเสียหายหมดเลยนะคนไม่ค่อยชอบนะอย่างเช่นไอ้ไม้สี่เหลี่ยมที่เขามาตีเป็นแท่งสี่ไม้ไ ม, ไม้ฝานะมาตีเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเข้าเนี่ยนะถ้าปกติแค่ไม้เฉยๆเนี่ยคนยังไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเป็นไม้อัดไม้ฝาธรรมาดาแต่ถ้ามีอะไรเป็นนอนอยู่ในนั้น น, นนะโอไม้หลังจากนั้นนี่ก็เอาใช้อะไรไม่ได้ผ้านะที่มันแขวนอยู่ตามร้านนะไม่เสียหายนะแต่ผ้าที่ถอดไปจากตัวล่ะ ไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรก็ตามถ้าออกจากกายนี้เสียหายหมดคนเนี่ยอย่างเขาบอกว่าโอ้ประเทศที่ไม่ค่อยเจริญคือประเทศอะไรประเทศที่จัดการกับอุจาระปัสสาวะไม่ดีเขาเรียกว่าประเทศนั้นยังไม่เจริญไม่ค่อยพัฒนาเลยประเทศนี้เพราะอุจาระปัสสาวะเปลื่อนกลหมดเนไหมปับางประเทศนะคนไม่ตัดสินใจไม่ไปประเทศนั้นเพราะอะไรเพรว่าจัดการกับอุจจาระปัสสาวะยังไม่ดีมาจากไหนล่ะเป็นผลพวงของอะไร ก็เป็นเนี่ยอา น, นิสงส์ของกายอันนี้นี่แหละพะนันธ์้็เรียกว่าศูนย์รวมของสิ่งปฏิกูลทุกชนิดเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์แวะเข้าไปที่ไหนนะที่นั่นจะเริ่มปฏิกูลขึ้นแล้วร่างกายเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูธทั้งสี่มีลมหายใจเป็นเบื้องต้นอ่นะแรกลมหายใจสองเกี่ยวกับอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอ่นะถ้าวิเคราะห์แยกแยะไปละเอียดอ่นะตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคืออะไร ก็คือมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะที่แยกย่อยก็ไปก็คืออาการสามสิบสองชีวิตที่เป็นไปได้ก็เพราะมีสิ่งเหล่านี้นะหนึ่งมีลมหายใจสองมีเรยาบทสามมีการตายการมาการแหลกการเหลียวการคู่การเหยียดเป็นต้นสี่อาการสามสิบสองยังประชุมกันห้าท่าทั้งสี่ยังไม่ทะเลาะกันอ่างนั้นเถอะ แต่เมื่อใดที่ธาตุสี่ทะเลาะกันอะไรเกิดขึ้นยูยูนัทไอเกิดวายขึ้นมากระทันหันทั้งคู่เลยนะแล้วก็ไม่ดูแลรักษาอนะแค่าตายอย่างเดียวก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมหัวใจมันเลิกปั๊มขึ้นมาก็สรุปแล้วธาตธาตุสี่นะธาตุในะดธาตุหนึ่งกำเริบตายได้ทุกเพาะทุกธาตุเป็นสมุทฐานอนะแม้กระทั่งปอดหรือตับหรือหัวใจหรือลำไส้นะ ทุกส่วนอ่ะขอให้เขา้าเข้าวิบัติเถอะที่เหลือเนี่ยตายได้หมดเลยนะมหาภูตารูปสีเนี่ยชิปชิปหายว่างั้นเถอะแตกทําลายก็ตายได้หมดเลยทัานโรงพยาบาลก็คือโรงซ่อมมหาภูตเห็นไหมส้อมมหาภูตซ่อมปัทวีบ้างซ่อมอาโปบ้างซ่อมเตโชบ้างซ่อมวายโอบ้างะนะพวกกายบําบัดทั้งหลายก็คือไปวายโ อ, อะอะไรนะก็เรียกกลุ่มบำบัดใช่ไหมไปฝึกยืนฝึกเดินพวกอามาพฤกดอามาพลาดนะก็ไปฝึกใช้วายโอใหม่ ฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกกายวิพาคอันะเออขอไปกายกายวิพาคบําบัดเนี่ยบบนะก็คือไปแต่งวายโยนั่นแหละให้วายโญมันทํากิจขึ้นแต่เมื่อใดที่ธาตุสี่เหล่านี้กําเริบเสียหายถึงกับแตกทําลายไปอันนั้นแหละเรียกว่าอัน น, นัตายตั้งแต่วันสองวันสามวันสี่วันเรียกปาช้าขั้นที่หนึ่งปาช้าขั้นที่สองพระพุทธเจ้าตรัสถึงปาช้าเก้าขั้น ก็เรียกว่าป่าช้าเก้าใช่ไหม บ, บัเก้าบับพระที่เหลือก็เกี่ยวเนื่องกับรูปประกายทั้งหมดเลยซึ่งกายเหล่านั้นเนี่ยนะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงกับแตกทำลายกระดูกแหลกเป็นผุยผงอันนั้นคือความเป็นตายของมหาพูดและรูปที่อาศัยมหาพูดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในอริยศัสตร์พระองค์ตรัสย่อๆว่านั่นแหละคือชาติชรามรณะ เนี่ยนะขาดอยู่สามคำมันะชาติชราและมรณะอาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามให้กาะถามว่าก่อให้เกิดโศกปริเท ว, ท, ท, วทุกโทมานัตอุปายาตไหมนะโศกแปลว่าทุกโทมนัตเริ่มเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันไหมเพลงแห่งทุกเริ่มบรรเลงขึ้นตั้งแต่การเกิดอย่างลงสู่คันเลยเพราะอะไรเพราะชาติอย่างลงชราก็ติดตามพญาทีก็ครอบงํมมามรณะก็ ห้ามหั่นเนี่ยนะในที่สุดก็ต้องเวลาไปวัดไม่ได้อะไรกลับมาบ้างเอามาชอบอ่านรอบๆกําแพงวัดนะนายนั่นนางนี่ชาตะเมื่อนั่นมรณะเมื่อนี่เนี่ยนะเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นเช่นเราอ่ะนะไม่นานเราก็เป็นเช่นนั้นมันก่อนขึ้นโดยสุเทพอยู่ก็เหมือนกันไปอ่านป้ายนี้ชาตะมรณะไม่ใช่ศพไทยอย่างนดียนะมีฝรั่งเข้ามาอีกเป็นฝรั่งมาเอากระดูกมา หมกบอกไว้แถวๆนั้นน่ะนะ <_ d ance> ก็มีโยมบางคนไปทางเหนือเอ๊ะเขาเอาเก้าอี้มาตั้งทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะดูสิเขามีแท่นมีอะไรบอกนั่นแหละป่าช้าเขาล่าะที่เขาเผาศพเนี่ยนะเพราะนั้นกายทั้งหลายเนี่ยมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทําลายเป็นที่สุดทั้นสติปัฏฐานทั้งสิบสี่บพธานเนี่ยนะ <_ d ance> กายานุปัสนาเนี่ย <_ d ance> เป็นการแสดงกายโดยตลอดสายนั่นเองเป็นการแสดงความเป็นไปของ รู ป, ปรกายอย่างตลอดสาย น, นะมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตา ย, ม, า ม, ตา ย, ยนะมีความแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะมีความแตกทำลายเป็นที่สุดถ้าถามว่ากายอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมว่าโย่อๆเลยนะพระอุเบกขาสงเคราลงเป็นสุข พันกายอันนี้มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทําลายเป็นที่สุดนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขแห่งทุกข์ท่านบอกว่ากายยประสะธาเนี่ยซึมซาบไปทั่วร่างกายานัทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกข์ได้หมดเลย น, น, นะแม้กระทัง่งรากผมเนะี่ยมีไหมเวลาเราแตะแตะดูนะเป็นยังไงบ้างทุกแห่งของร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขแห่งทุกข์หมดเลยเพระองค์เลยสอนให้พิจารณาสุขทุกข์ต่อไปอันนั้นเป็น เวทนานุปัสสนาเมื่ออะไรหนามีสุขทุกข์จึงมีเมมีขหปันนีคนหนึ่งถามพระมหาการเจอนะออพระอุทายีว่าอะไรหนามีสุขทุกข์จึงมีก็เพราะตาหูจมกูกลิ้นกายใจมีสุขทุกข์จึงมีทั้นถ้าเราพิจารณารูปมากๆเนี่ย น, นะรูปนั้นเป็นทั้งวัตถุและอารมณ์ของสุขและทุกข์ บางอย่างเป็นวัตถุใช่ไหมบางอย่างเป็นอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายหัตยะเป็นวัตถุแห่งสุขและทุกข์ส่วนอรูปที่เหลือเป็นอารมณ์แห่งสุขและเป็นอารมณ์แห่งทุกข์ถ้ารูปเหล่านั้นน่าปรารถนาสุขเวทนาก็เกิดถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาทุกขเวทนาก็เกิด ยังชอบใจคำหนึ่งว่าถ้าการมาราคานุสัยเกิดแก่บุคคลใดปติคานุสัยเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นไหมพง์บอกว่าอามันตาใช่คือถามว่าถ้าสุขเออหมายว่าถ้าความชอบมีแก่บุคคลใดคนนั้นยังชังอยู่หรือเปล่าก็ชังอ่ะนะถ้าใครยังรักรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆโพธาภาที่ดีอยู่สแสดงว่าคนนั้นยังชังอยู่ อันนเพราะผู้คนที่ชอบโดยที่ไม่ชังไม่มีโดยเฉพาะชอบกามคุณห้าเนี่ยนะใครที่ยังชอบกามคุณห้าก็แสดงว่ารังเกียจกามคุณห้าบางอย่างชอบเป็นบางอย่างรังเกียจเป็นบางอย่างน่นะถ้าหากว่ารูปหน้าปราถนารูปทั้งหมดนะหน้าปราถนาก็ชอบถ้ารูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่หน้าปราถนาก็ชังนะนะก็ชอบกระชังนะน นั้นใครที่ยังไม่ละกา ม, มาราคะคนนั้นก็ยังไม่ละปฏิฆะใครที่ยังไม่ละปฏิฆะแสดงว่ายังไม่ละกา ม, มาราคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราสังเกตให้ดีนะวัตถุใดที่เราชอบวัตถุนั้นเราจะชังแต่ถ้าถามหานะเราดีใจเพราะวัตถุใดให้รู้ถ้าว่าเราจะเสียใจเพราะวัตถุนั้นก็นะก็มีดอกไม้แหละเปรียบง่ายดีเพว่าเอาดอกไม้เนี่ยนะให้ประดับอย่างเงี้ย อาทิตย์หนึ่งเอาไหมไ ม, ไม่เอาอีกนะแต่ตอนนี้สวยไม่ใช่หรือสวยมากเลยนะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเลย <c oughs> เดือดร้อนเนี่ยนะพัน <c oughs> วัตถุใดที่เรียกว่าที่ที่เรียกว่าหน้าดูที่สุดนะวัตถุนั้นอย่างเดียวกันนะ่นจะเป็นสิ่งที่น่าชังที่สุดเพราะฉะนั้นการพิจารณาเวทนาทั้งหลายก็สังเกตจากวัตถุก็รู้ถึงความชอบและความชัง ถ้าออถ้ารู้วิบัติเมื่อไหร่นะให้รู้เถอะว่าความไม่ชอบใจเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วแม่เนี่ยนะถามว่าปกตินี่รังเกียจลูกไหมถ้าลูกมีร่างกายพิกลพิการเสียหายแตกทําลายไปเลือดชุ่มมาเลยแม่ยิ้มตลอดไหมเอาก็ลูกเรานี่ไม่ยิ้มเอาทำไมอ่ะทําไมเอาก็ลูกก็ลูกเรานี่เอาก็น่าจะดีใจไปตลอดใช่ไหมก็ลูกอ่ะก็เลือกโชคมาเลยจะดีใจได้ยังไงนะ อันนั้นลูกลูกเหมือนเดิมอ่ะนะยังกันเลือดไหลทนั้นเองแม่ก็เดือดร้อนละพ่อก็เดือดร้อนละเพรานวัตถุใดที่เราว่าเราดีใจสบายใจเนี่ยนะวัตถุนั้นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจลำบากใจเป็นอย่างมากเพราหน้าสิ่งที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนามันอยู่ใกล้กันมันอาศัยจากรูปเนี่ยอ่านเวทนาได้เลยน่นะจากรูปก็สังเกตไปถึงเวทนาเพราะถ้า บุคคลรับอารัมณะกัจัยเช่นนี้อิจชนิดใดควรเกิดถ้ารูปที่วิบัติควรจะมีเวทนาเป็นยังไงโทมนัสใช่ไหมถ้ารูปถึงพร้อมดีบริบูรณ์หมดเลยเวทนาควรเป็นโสมณัสเพราะฉะนั้นถ้ารูปดีหมดแต่ยังโกรธอยู่นะไอ้ยังงี้ก็อันนี้เรียกว่าผิดปกตินะผิดปกติภาสามันทั่วไป ถ้าอารมณ์ที่แหม่เสียหายมากแล้วยิ้มแป้เลยนะอันนี้ก็ผิดสามมันทั่วๆไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าตามอนุสัยจึงไม่เรียกว่าเป็นอนุสัยเพราะมันผิดผิดธรรมดาสามมันทั่วไปเนี่ยนะนะอันสุขทุกข์ทั้งหลายก็ก็ดูจากจากรูปเนี่ยนะนะดูจากรูปก็ดูได้ถึงความสุขและความทุกข์เนี่ยนะนะร่างกายพร้อมทร่องอนะ แผลเต็มตัวไปหมดบอกว่ามีความสุขดีหรือบอกอูามีความสุขมากตอนนี้นะเชื่อไหมไม่เชื่อนะเพราะดูจากรูปแล้วนะ่ะทุกเมร์มีเกิดขึ้นเพราะนั่นผู้ที่เจริญพิจารณารูปมากๆากนะจะพิจาจรณาเวทนาไม่ยากเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสมมุตินะักเป็นคนคนนี้ชอบรถมากเขาแต่งรถนะอูสเช้าเช็ดเย็นเช็ดดูแลเยี่ยมเลยนะถ้ามันเยี่ยมอย่างที่เขาเขาพอใจนะ ถามว่าเขาโสมมันัทใช่ไหมเห็นเมื่อไหร่เขาก็ภูมิใจแต่เขาไปดูอีกครั้งหนึ่งกระจกมันร้าไปครึ่งหนึ่งอะนะโสมนัทเกิดต่อไหมไม่เกิดเลยนะคนรักสวยรักงามมากเลยนะโโหเช้าตอนออกจากบ้านเช็ดเล่มหมดเลยกลับมานะเละเทะเต็มไปหมดเลยนะเขาจะโสมมันัทไหมเขาไม่โสมนัทเพราะนั้นความดีใจกับความเสียใจนะถ้าใครพิจารณารูปมากๆจะเห็นจะเห็นเวทนาไม่สู้ยากนะ เพราะที่ในคัมภีร์ท่านจึงบอกว่าถ้าผู้พิจารณารูปมากจะพิจารณานามไม่ยากถ้าดูรูปนั้นนั้นบ่อยๆจะเห็นนามต่อไปเนี่ยนะฉันใดก็ดีถ้าเห็นของสวยๆงามๆบ่อยๆนะถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าอัคติจนเกินไปจะเห็นโสมนัตเวทนาตั้งอยู่บนอารมณะปัจจัยนั้นๆถ้ารูปเสียหายเดี๋ยวโสมนัตเวทนาก็จะเกิดเพราะอาศัย อรูปหรืออารมณปัจจัยนั้นๆเนี่ย น, น, นะเพราะรูปจึงเป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกขการพิจารณาสุขทุกโดยที่มีรูปเป็นวัตถุเป็นอารมณ์อย่างนี้แหละพิจารณาเวทนาโดยที่มีรูปเป็นวัตถุเป็นอารมณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญเวทนานุบัสนาเนี่ยนะเพราะเวลาเขากําหนดเวทนาเขากําหนดไปที่วัตถุนะไม่ใช่โอ้เจ็บก็รู้ว่าเจ็บนะปวดไหมปวดไหมใครก็บอกว่าปวดอนะฮะคนมีแผล เขาเจริญเวทนานุปัสนาแล้วหรือเขาไม่เรียกนะเพราะเขาไม่กําหนดวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาคนใดที่ไม่กําหนดอารมณ์แห่งเวทนาไม่กําหนดวัตถุแห่งเวทนาบุคคลนั้นไม่เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสนาเพราะฉะนั้นในอัตถะฐาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยจึงบอกว่าเขากําหนดที่วัตถุกําหนดที่วัตถุทําให้เป็นอารมณ์เพราะกําหนด แปลว่ากำหนดทวาวรกับกำหนดอารมณ์แล้วเขาดูเวทนาได้เลย